หัวไม้อีกส6คนของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตนครอันที่จริงชาเมืองจิตตนครเป็นคนมีความรู้ความฉลาด เป็นคนมีการศึกษาในโลกมีการศึกษาถึงระดับไหนจิตนครก็จะมีการศึกษาสูงระดับนั้นการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมหาวิทยาลัยมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ในจิตนครการศึกษาด้วยการค้นคว้าก็ก้าวหน้าไปไกลดูก็น่าจะรู้จักคนดีคนชั่วและช่วยกันปราบปรามทุจริตต่างๆ ที่เที่ยวกวลวนบ้านกวนเมืองให้เดือดร้อนตลอดถึงตัวหัวโจกแต่หาได้เป็นชนันไม่เพราะสมุทรไทยเป็นตัวสำคัญที่แสดงตนเป็นเพื่อนสนิทของชาวเมืองจิตตะนครทั้งปวงชาวเมืองตลอดถึงเจ้าเมืองไว้วางใจขนาดที่เรียกว่าเพื่อนคู่หูคู่คิดด้วยมีความเข้าใจและเชื่อในสมุทรไทยว่าเป็นผู้ช่วยสร้างความสุขความเจริญต่าง สมุทรไทยเป็นผู้สามารถครองใจคนทั้งเมืองไว้ได้และสามารถในการใช้พักพวกที่เป็นหัวโจกตั้งที่กล่าวแล้วคือโลโพโทโศโมโหหัวโจกทั้ง3นี้ม่ได้ไปแสดงตัวเป็นหัวโจกวางท่าเกะชาวเมืองโดยตรงแต่ไปแอบสิงใจชาวเมืองให้โลภอยากได้ให้โกรธพยาบาทให้หลงไหล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 ในจิตตะนังครไม่มีการส่งวิญญาณหรือส่งเจ้าคือไม่มีวิญญาณหรือเจ้าหรือผีมาส่งหรือมาเข้าสิงคนเหมือนอย่างในบางเมืองมีแต่หัวโจกทั้งสามนี้แหละเป็นตัวมาสิงใจมาเข้าส่งชาวเมืองทั้งปวงนอกจากนี้หัวโจกทั้งสามยังมีพักพวกหัวมีดหัวไม้ต่างๆอีก16คน น่าจะแนะนำให้รู้จักไว้บ้างเผื่อว่าเมื่อพบเห็นเข้าจะได้พอรู้จักว่าใครเป็นใครคือ 1. อภิชาวิสมาโลภะละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเลง 2. โทรสร้ายกาศ 3. โกทะกโกรธ 4. อุปนาหะผูกโกรธไว้ 5. มัคคะลบหลูคุณท่าน 6. ปราศะตีเสมอคือยกตนเถี่ยมท่าน 7. อิสาริศยา 8. มัชริยะความตรณี 9. มายามายาคือเจ้าเล่ได้แก่ปกปิดโทษที่มีอยู่ 10. สาเถยะโออวดคืออวดคุณที่ไม่มี 11. ธรรถมพะ 12. ดือสิ 12. สารัมภะแข่งดี 13. มานะถือตัว 14. อติมานะดูหมิ่นท่าน 15. มทะมัวเมา 16. ประมาทะเล่ลๆทั้ง16คนนี้มีลักษณะต่างๆกันเหมือนดังชื่อนั่นแหละหล้วนเป็นพวกก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองจิตนครทั้งนั้น แล้ววิธีก่อกวนก็ด้วยการเที่ยวสิงใจคนเช่นเดียวกันกันกบหัวโจกชาวเมืองจิตนครถูกพวกหัวมีดหัวไม้เหล่านี้สิงใจก็แสดงออกต่างๆกันตามที่สิงเช่นถูกโกทะสิงใจก็แสดงอาการโกรธต่างๆถูกสาเถยะสิงใจก็พูดจาโอ้อวดคุณที่ไม่มีนานับประการ การศึกษาระดับต่างๆช่วยไม่ได้บางทีกลับนําความรู้มาคุยฟุง้งอวดรู้อวดฉลาดไปเสียอีกแม้ชาวเมืองจิตนครจะตกอยู่ในอํานาจของพวกหัวมีดหัวไม้ดังกล่าวจนแทบจะหาผู้ช่วยไม่ได้ดังเช่นกล่าวแล้วว่าการศึกษาระดับต่างๆทุกระดับก็ช่วยไม่ได้แต่ก็ยังมีอยู่หนึ่งอย่างที่ช่วยได้และช่วยได้แน่ด้วย สิ่งนั้นคือปัญญาปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่สุดมีอํานาจสูงสุดปัญญามีอยู่ที่ไหนอย่าว่าแต่จะฟาดฟันพวกหัวมีดหัวไม้ให้แต่กระจัดกระจายไปได้เพียงพวกสองพวกเลยจะกี่ร้อยกี่พันพวกปัญญาก็สามารถเอาชนะได้สิน้นเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ที่อาจขับไล่ความมืดให้หมดไปได้ไม่หลงเหลือนั่นแหละ ก็สำคัญอยู่ที่ว่าปัญญาไม่ใช่แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ประจาโลกปัญญาเป็นสิ่งต้องสร้างขึ้นต้องอบรมให้มีขึ้นบรรดาผู้มาบริหารจิตก็คือผู้กำลังอบรมปัญญาให้มีขึ้นให้เจริญงอกงามขึ้นเพื่อให้ตนเองมีอาวุธสาคัญที่สุดประจาตนสำหรับปราบพวกหัวหมีดหัวไม้ให้สิ้นไปไม่อาจก่อความเดือดร้อนให้ได้ต่อไปนั่นเอง จึงนับได้ว่าบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายจะได้เป็นเจ้าของจิตนครอันร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไปพร้อมกับความภาคเพียรพยายามไม่ท้อถอยที่จะอบรมปัญญาให้เจริญงอกงามชั้นต้นก็ให้เกิดปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงว่าไหนดีไหนชั่วไหนควรสงวนรักษาไหนควรทำลายให้สิ้นไป เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสารตันหาร0 8สมุไทยมีวิธีการหลายอย่างที่จะปลูกใจชาวจิตตนครเพื่อที่จะเป็นผู้ครองใจของชาวจิตตนครทั้งหมดตลอดไปนอกจากพักพวกที่เป็นหัวโจกทั้ง3ลูกมือคือทุจริตทั้ง3และพวกหัวไม้หัวมีดในลักษณะต่างๆอีก16ดังกล่าวแล้ว สมุทรไทยยังวางพักพวกนอกจากนั้นยังยึดครองจุดสำคัญต่างๆของจิตนครเพื่อที่จะรักษาอานาจของตนไว้ให้มั่นคงคือจุดระบบสื่อสารทั้งชั้นนอก5ชั้นและชั้นในหนึ่งชั้นรวมเป็น6จุดเพราะระบบสื่อสารเหล่านี้ที่นำข่าวสารต่างๆเข้าสู่เจ้าเมืองจิตนครโดยปกติเจ้าเมืองนั้นจะติดต่อทราบเรื่องต่างๆได้ ก็แต่โดยทางสื่อสารนี้เท่านั้นฉะนั้นสมุททยจึงใช้เครื่องมือทางมายาศาสต์อย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณ์เป็นเครื่องแปลกปลอมปกปิดสัจจะในข่าวสารทั้งหลายแต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่งโดยแต่งตั้งพักพวกให้อยู่เฝ้าประจำระบบสื่อสารทั้งหกนั่นแหละแห่งละ3มคนชื่อว่าการมัตตันหาความทะยานอยากในกามคือรูป เสียงกลิ่นรสโปรตภะคือสิ่งที่กายถูกต้องที่น่าปรารถนาพอใจคนหนึ่งวิภวะตัญหาคือความทยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่คนหนึ่งวิภวะตัญหาความทยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่คนหนึ่งมีชื่อตรงกันทั้งหกแห่งสามคนที่ประจำอยู่ที่ระบบตาเมือง ก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรูปต่างๆ3มคนที่ระบบหูเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับเสียงต่างๆ3มคนที่ระบบจมูกเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับกลิ่นต่างๆ3ามคนที่ระบบลิ้นเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรสต่างๆ3ามคนที่ระบบกายเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับสิ่งต่างๆที่กายถูกต้อง ทั้งอีกสามคนที่ระบบใจเมืองชั้นในก็คอยผสมอารมณ์เข้าไปกับเรื่องต่างๆอีกชั้นหนึ่งรวมเข้าตอนนี้ก็มี18คนแล้วแต่ไม่ใช่เท่านี้สมุทยมีความรอบครอบมากกว่านั้นคือได้จัดให้ประจำการทั้ง3เหมือนอย่างจัดยามประจำทุกยามคือประจำอดีตการ18คนอนาค ต, ตการ18คน ปัจจุบันการ18คนรวมเป็นห้าสิบห้าคนดูก็น่าจะพอแต่ยังไม่พอสำหรับสมุทรไทยผู้รอบคอบถี่ท้วนเป็นอย่างยิ่งยังจัดไว้สำหรับประจำกรรมกับตนเอง54บคนประจำกรรมกับผู้อื่นอีก54ี่คนจึงรวมเป็นหนึ่งคนเรียกตามภาษาของชาวจิตนครว่าตั้นหาร้8ยฉะนั้น เจ้าเมืองและชาวจิตตนครทั้งปวงจึงได้รับข่าวที่ถูกอารมณ์เคลือบแคลงแล้วเรียกได้ว่ามิใช่เป็นข่าวสารที่จริงแท้อยู่เสมอเพราะสมุทัยได้วางตันหาร้อยั้งกล่าวยึดระบบสื่อสารทั้งสิ้นไว้ทั้งชั้นนอกชั้นในเจ้าเมืองจึงถูกลวงให้หลงคือให้เข้าใจผิดเห็นผิดอยู่เสมอบางคราวก็แสดงความยินดีปรีดา อยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่บางคราวก็งุดงิดขุนเคืองขัดแค้นอยากให้พินาศเสียหายสุดแต่อารมณ์ที่สมุทัยและพักพวกส่งเข้ามาชาวเมืองจิตตะลครจึงมีจิตใจที่ติ้นรนกวัดแกงอยู่เสมอไม่สงบเป็นโอกาสให้หัวโจกทั้งสเข้าสิงผสมได้โดยง่ายเพราะสมุทยจัดให้คอยจ้องโอกาสอยู่ทุกขณะแล้ว โดยสังเกตเครื่องมือสําคัญคืออารมณ์และลอบเข้ามากับอารมณ์ทันทีการปฏิบัติงานของสมุทัยและพักพวกทั้งปวงรวดเร็วยิ่งนักเท่ากับความเร็วของจิตหรือความเร็วของแสงก็น่าจะเทียบได้หรือยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามได้กล่าวแล้วในครั้งก่อนว่าอาวุธหรือผู้ที่จะปราบพวกหัวมีดหัวไม้ของฝ่ายสมุทัยมีอยู่คือปัญญา และปัญญานี้เมื่ออบรมเสมอก็เหมือนอาวุธที่คมที่รับอยู่เสมอย่อมใช้การได้ผลอย่างดียิ่งคือฟันลงไปที่ใดก็ขาดลงในที่นั้นตัณหาร้อยก็สามารถจะทำลายให้สิ้นไปได้ด้วยปัญญาที่ได้รับการอบรมบริบูรณ์เต็มที่แล้วเช่นกันแต่สำหรับชาวจิตตนครที่เป็นสามัญชนการอบรมปัญญาเพียงให้สามารถรักษาใจ ไม่ถึงกับให้ตกเป็นาธาตุของอารมณ์จนเกินไปพอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าร้อนรนทุกข์ก็นับว่าดีแล้วและการบริหารจิตนี้แหละคือการอบรมสติอบรมปัญญาให้เกิดทันและให้สามารถรักษาจิตใจหรือจิตนครไม่ให้ถูกอารมณ์อันเป็นสมุนฝ่ายร้ายของสมุทยัยเข้ามีอํานาจเหนือ จนถึงกับจะใช้อำนาจก่อให้เกิดความฟุ่นเฟื่ร้อนร้อนได้เกินไปบ้านเมืองใดมีกําลังอาวุธบริบูรณ์ยอมจะป้องกันฆ่าศึกศัตรูมิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันใดผู้ใดมีกําลังอาวุธคือปัญญาเพียงพอยอมจะป้องกันอารมณ์มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉะนั้นการอบรมปัญญาตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงบริบูรณ์แล้วด้วยพระปัญญาคุณจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาความร่มเย็นเป็นสุขพึงกระทำทั่วกันหัวโจกทั้งสาบนั้นเที่ยวหาพักพวกได้อีกเจดคนรวมเป็นสิบคนด้วยกันก่อนคือ 1. โลโพความอยากได้ของของเขา 2. โทโสความโกรธประทุษร้ายเขา 3. โมโหความหลง ทั้งสามนี้เป็นพักพวกชั้นหัวโจของสมุทรไทยอยู่แล้ว 4. มาโนความถือตัวดูหมิ่นผู้อื่น 5. ทิฏฐิความเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาความลังเลไม่แน่นอนใจ 7. ถีนังความง่วงเหงาเกียดคร้าน 8. อุทธจังความฝุงฟ่าน 9. อหิริกังความไม่ละอายใจไม่รังเกียจต่อความชั่วสิบอนโนตับปังความไม่เกรงกลัวต่อความชั่วคนสิบคนนี้ต่างไปหาพักพวกอีกคนละ150คนโดยมาจัดแบ่งเป็น150หมู่หมู่ละ10บคนประจำนามธรรมและรูปธรรมของชาวจิตตนครทุกคนโดยครบถ้วน คือสมุททยได้ศึกษาสรีรรวิทยาและจิตตาวิทยารู้โดยถี่ท่วนว่าชาวจิตตนครทุกคนมีจิต89ดวงนับเป็นหนึ่งมีเจตสิกกรรมที่เกิดขึ้นในจิต52นี้เป็นส่วนจิตกับมีรูปที่เรียกว่านิพพนรูปรูปที่สำเร็จมาแล้ว18พร้อมกับทุกสี่คือชาติชราพยาธิมรณะ นี้เป็นส่วนสรีระหรือรูปคือตามคำเพียรพิธรรมจึงรวมเป็น75แจกเป็นนามธรรม75แจกเป็นรูปธรรม75เพราะชาวจิตตนนครทุกคนประกอบด้วยนามธรรมรูปธรรมรวมกันอยู่เป็นคนหนึ่งคนหนึ่งจะแยกถือเอาเฉพาะอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่อง เลยแม้แต่น้อยจึงได้นับจำนวนเป็นส่วนละเจบห้าหน่วยเสียทีเดียวเพื่อที่จะได้ส่งพักพวกไปคุมเป็นรายหน่วยหน่วยละหมู่คือตามที่ได้กล่าวแล้วว่าจัดแบ่งเป็นหนึ่งห้าสหมู่หมู่ละสิบคนเพื่อควบคุมนารูปที่แบ่งออกส่วนละเจ็ิบห้าเป็นหนึ่งหิบหน่วยนั้น กระจายกำลังออกคุมหน่วยละหมู่ทีเดียวดังนั้น150คูณด้วย10จึงรวมเป็น 1,500 เรียกว่ากิเลส 1,500 เป็นพักพวกที่สมุทยจัดไว้ให้มีหน้าที่ประจำกากับภายในบ้านของชาวจิตตนครทุกคนทุกกระเบียดนิ้วก็ว่าได้ไม่ยอมให้ ใ, ใครพ้นออกไปจากการควบคุมเลยจะคิดอะไรจะทำอะไรจะเดิน ยืนนั่งนอนที่ไหนก็อยู่ในสายตาของหมู่ใดหมู่หนึ่งแห่งกิเลสทั้ง150หมู่นี้ทั้งสิ้นสมุทยจึงนับว่าเป็นนักการโลกที่สามารถมากเพราะต้องการที่จะครองโลกทั้งสิ้นไว้ในอำนาจไม่ประสงค์จะให้ใครผู้ใดพ้นไปจากอำนาจของตนเลยลองนึกเขียนรูปภาพภายในบ้านของชาวจิตนครแต่ละคน ก็คงจะเป็นภาพที่เต็มยัวเยะไปด้วยกิเลสตัณหาเดินไปเดินมาสับสนอลมานยังบอกไม่ถูกบ้างก็คึกครื้นรื่นเริงเต้นรำทำเพลงบ้างก็กริ้วโกรธ ด, ด่าตีออกท่ายักษ์มารต่างๆบ้างก็นั่งโงกซึมเ้าดูคล้ายกับโง่ดักดานบ้างก็ซุบซิบวางแผนชั่วร้ายต่างๆดังนี้เป็นต้น ต่างแสดงออกตามสันดานของตนของตน1 0 8่จำพวกหรือ1 5 0 0งาจำพวกดูภาพแล้วหน้าปวดเสียนเวียนกล้าวแทนยิ่งนักได้กล่าวไว้แล้วว่าอาวุธที่จะปราบพักพวกของสมุทรไทยในจิตนครได้ผลแน่นอนมีอยู่อย่างเดียวคือปัญญาปัญญานี้มีหลายขั้น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 อบรมมากและสม่ำเสมอเพียงไรปัญญาก็ย่อมจะยิ่งสูงขึ้นได้เพียงนั้นดังนั้นแม้เห็นโทษของพรรพวกเหล่าร้ายของสมุทยัยต้องการจะทำลายให้สิ้นไปหรือปราบให้บรรเทาเบาบางลงก็จำเป็นจะต้องใช้อาวุธคือปัญญาที่หมั่นรับให้คมคืออบรมให้เป็นปัญญาในขั้นสูงยิ่งขึ้นทุกทีอยู่เสมอ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 ลงได้จริงๆสมุทรไทยความหวังบังทุกเก็บปัญญาบ้านของใครมีคนไปคุมอยู่เต็มไปหมดตั้งร้อยตั้งพันดังนี้ดูก็น่าจะต้องกลุ้มใจไม่มีความสุขแน่แต่กลับปรากฏว่าชาวจิตนครไม่ค่อยจะมีใครรู้สึกว่าถูกควบคุมตัวแจพากันเห็นว่าอยู่ในโลก ก็ต้องมีความสุขบ้างสิ่งสนุกสนานก็มีอยู่มากสิ่งเจริญตาเจริญหูก็มีอยู่โดยรอบนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ชาวจิตตนครเรียกกันว่าความหวังเป็นอาหารใจสำคัญของชาวจิตตนครเมื่อเกิดความอ่อนเพลียรหรือขาดข้่องขาดแคลนอะไรขึ้นก็รีบบริโภคความหวังไว้รองท้องทาให้กระปี้กระเป๋ วิ่งเต้นไปได้คราวหนึ่งคราวหนึ่งทั้งนี้เพราะสมุไทยได้มีวิธีคลองใจชาวจิตนครอย่างแยบยลจนยากที่คนทั่วไปจะรู้สึกได้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าสมุไทยทำอย่างไรจะลองเล่าไปตามที่ท่านผู้รู้ได้บอกไว้สมุไทยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะปิดบังหรือบิดเบือนสิ่งหนึ่งที่เรียกตามภาษาของท่านผู้รู้ว่า ไม่ยอมให้ใครรู้เห็นทุกได้เป็นอันขาดด้วยใช้อุบายวิธีต่างๆที่ทำให้พากันเห็นไปในทางตรงกันข้ามถ้าใครเห็นเป็นสุขไปได้ก็ถูกความประสงค์ของสมุทัยที่สุดสมุทัยใส่ความหวังหรือความอยากเข้าไปในใจของชาวจิตนครพร้อมกับความเพลินและความติดใจยินดีและคอยป้อนสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ แก่ความอยากความติดใจยินดีโดยแทรกเข้าไปกับข่าวสารที่ผ่านทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในตั้งกล่าวแล้วชาวจิตตนครจึงพากันหิวกระหายต่ออารมณ์ต่างๆเพลิดเพลินติดใจยินดีอยู่กับอารมณ์ต่างๆสมุทรไทยใช้อารมณ์นี้เองเป็นเครื่องผูกใจชาวจิตตนครไว้ให้พากันหวังพากันเพลิดเพลินอยู่ตลอดคืน พรรคพวกของสมุทรไทยกี่ร้อยกี่พันก็พากันแฝงตัวคุ้มอยู่อย่างเงียบๆและผลัดกันเยี่ยมหน้าออกมาบ้างเป็นครั้งคราวชาวจิตนครจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนอย่างที่คนเป็นโรคมองไม่เห็นตัวเชื้อโรคตั้งพันตั้งหมื่นในร่างกายต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ซองจึงจะมองเห็นอันที่จริงเจ้าเมืองจิตนคร เป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่างสำหรับปราบปรามฆ่าศึกศัตรูทั้งปวงเหมือนอย่างผู้ที่ปกครองบ้านเมืองทั้งปวงจะต้องมีอาวุธและกำลังต่างๆจึงจะปกครองและรักษาบ้านเมืองไว้ได้ถ้าเจ้าเมืองจิตนครประสงค์จะดูให้เห็นพักพวกของสมุทัยทั้งหมดก็สามารถจะเห็นได้เพราะมีปัญญาเป็นอาวุธพิเศษอย่างหนึ่งประจำตน แต่สมุไทยได้รอบเก็บปัญญานี้ไว้เสียทั้งเมืองจิตตนครจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ความหวังความเพลินความติดใจยินดีและความต่อสู้แย่งชิงอารมณ์กันต่างๆเป็นโอกาสให้ผู้หัวโจกทั้งสามและพักพวก108จำพวกแห่งกันอลหมานไปหมดผู้ศึกษาพระพุทธศาสนารู้ประธรรมของพระพุทธเจ้าแม้พอควร ถึงจะยังไม่มีปัญญาเห็นตามพระธรรมนั้นจริงๆแต่ถ้าน้อมใจให้เชื่อบ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นถึงบรมศาสดาที่ทรงสามารถตั้งพระศาสนาที่ใหญ่โตมั่นคงขึ้นได้ในโลกมีศาสนิกมากมายอะไรที่ทรงสอนไว้ที่เราได้ศึกษารู้ย่อมเป็นความจริงเป็นต้นว่าทรงแสดงว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ แม้จะยังไม่เห็นตามด้วยปัญญาของเราเองว่าเป็นทุกข์กลับเห็นว่าเป็นสุขก็ควรจะอาศัยความเชื่อเข้าประกอบให้น้อมใจลงรับไว้บ้างว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริงมิใช่เป็นสุขดังเราเห็นเมื่อยอมเชื่อบ้างแล้วว่าสิ่งใดเป็นทุกข์มิใช่เป็นสุขแม้จะเกิดความหลงความเพลินความติดใจยินดีในสิ่งนั้นก็ย่อมมีโอกาสจะหยุดลงหยุดเพลิน หยุดติดใจ ย, ยินดีได้บ้างแม้เพียงครั้งคราวเมื่อเกิดสติเกิดปัญญาถึงแม้ความไม่หลงไม่เพลินไม่ติดใจ ย, ยินดีในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นทุกข์จะเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวก็ยังดีเพราะจะเป็นเหตุให้หลงน้อยเพลินน้อยติดใจ ย, ยินดีน้อยลงได้ทุกทีแม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะทำให้น้อยลง กล่าวแล้วว่าความหลงความเพลินความติดใจยินดีเกิดจากอุบายแยบยลของสมุทยัยซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าร้ายยิ่งใหญ่เมื่อทำลายเสียได้เพียงไรก็เท่ากับทำให้ฝ่ายสมุทัยอ่อนกำลังเพียงนั้นประเทศบ้านเมืองที่มีผู้ร้ายชุกชุมกับประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีโจนผู้ร้ายหรือมีน้อยมีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงไร ย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วจิตตนครก็เช่นกันจิตตนครที่สมุไทยมีกำลังอ่อนกับจิตตนครที่สมุไทยมีกำลังเข้มแข็ง<ๆ>ก็มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงนั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายแม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมจะได้เป็นเจ้าเมืองที่มีปัญญา สามารถทําจิตนครของตนให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปลักษณะอารมณ์เครื่องมือสมุทยัยจะได้กล่าวถึงลักษณะเป็นต้นของอารมณ์ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของสมุทัยที่ใช้คล้องใจชาวจิตนครดังที่ได้กล่าวแล้วว่าในจิตนครมีทุกอย่างเหมือนอย่างในบ้านเมืองทั่วไป ว่าถึงสิ่งทั้งหลายที่จะมองเห็นได้ด้วยตาก็มีอยู่ทั่วไปเป็นสิ่งเกิดมีขึ้นโดยธรรมชาติเช่นต้นไม้ภูเขาก็มีเป็นสิ่งที่ทำขึ้นสร้างขึ้นเช่นบ้านเรือนอาคารก็มีลืมตาขึ้นก็ได้เห็นรอบไปหมดสมุทัยได้สร้างสรรค์ตกแต่งขึ้นมากมายและคุยกันนักหนาว่า ตนเป็นผู้คิดสิ่งที่เรียกว่าวิจิตรศิลป์ต่างๆขึ้นในโลกบ้านเรือนปราสาตราชวังตลอดถึงวัดวาอารามล้วนต้องมีวิจิตรศิลป์การตกแต่งต่างๆตลอดถึงการตกแต่งกายของบุรุษสตรีทั้งปวงก็ต้องมีวิจิตรศิลป์และต่างก็ประกวดประชันกันยิ่งนักในการแต่งกายให้ทันสมัยหรือที่เรียกว่าแฟชั่น นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆเช่นโขนละครภาพยนตร์การละเล่นเต้นรําเป็นต้นสําหรับดูเล่นเพื่อความบันเทิงคนทั้งปวงต่างทุ่มเทเงินทองไปมากมายเพื่อสิ่งที่สําหรับจะได้ดูงามตาเท่านั้นที่สรุปลงได้ในคําเดียวว่ารูปที่ตามองเห็นเท่ากับว่าเป็นอาหารตานั่นแหละ ที่คนทั้งปวงต้องซื้อหาอาหารตานี้ด้วยมูลค่าที่สูงมากมากยิ่งกว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทางปากยังเสียงที่จะฟังทางหูก็มีทั้งที่เป็นเสียงธรรมชาติและเสียงที่สร้างสารรค์ขึ้นเช่นเสียงลมเสียงฟ้าเสียงสัตว์ ร, ร้องเสียงคนพูดเสียงขับร้องเสียงดนตรีต่าง สมุทัยกล่าวโอ้อวดอีกเหมือนกันว่าได้สร้างเสียงที่ไพเราะต่างๆให้แก่โลกเช่นเสียงขับร้องเสียงดนตรีนานาช น, น, นิดสําหรับบรรเลงประโคมขับกล่อมให้เป็นสุขซึ่งก็สรุปลงได้ในคําเดียวว่าเสียงที่หูได้ยินเท่ากับว่าเป็นอาหารหูนั่นเองซึ่งบางทีคนก็ต้องการซื้ออาหารหูนี้ด้วยราคาแพงอีกเหมือนกัน ยังกลิ่นที่จะสูดดมทางจมูกก็มีต่างๆทั้งโดยธรรมชาติเช่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นของดอกไม้และของเน่าทั้งโดยปรุงแต่งเช่นกลิ่นทูปกลิ่นน้ำอบสมุทรไทยก็อวดอ้างอีกนั่นแหละว่าได้ปรุงแต่งกลิ่นที่หอมทั้งหลายสำหรับจูงความสุขสรุปลงได้ในคำเดียวว่ากลิ่นที่จมูกได้สูดดม เท่ากับเป็นอาหารจมูกบางทีคนก็ต้องซื้ออาหารนี้ด้วยราคาแพงยังรสที่จะลิ้มถางลิ้นก็มีต่างๆทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่งเช่นรสอาหารนานาประเภทสมูทไทยอวดนักเหมือนกันว่าได้ปรุงแต่งรสอาหารอันโอชาลิ้นนานาประการแต่ก็สรุปลงได้ในคำเดียวว่ารสที่ลิ้นลิ้ม มันคนโดยมากต้องแสวงหารถมาเป็นอาหารลิ้นด้วยราคาแพงยังสิ่งที่กายถูกต้องอ่อนแข็งต่างๆก็มีทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่งสมุทัยได้คุยโอนักว่าได้สร้างสิ่งสัมผัสทางกายที่ละมุนละไมสำหรับบําเรอความสุขมากมายสรุปลงได้ในคำเดียวว่า พ, พุทธะสิ่งถูกต้องทางกาย คนโดยมากก็พากันแสวงหาสิ่งที่มีสัมผัสให้เกิดสุขเท่ากับเป็นอาหารกายด้วยราคาแพงลิวทั้งยังเรื่องต่างๆที่คิดทางใจสมุทยอวดโอว่าได้ช่วยปรุงเรื่องต่างๆให้แก่ใจคนทั้งปวงสรุปลงได้ในคำเดียวว่าทำเรื่องที่ใจรู้ใจคิดถึงคนทั้งหลายก็พากันแสวงหาเรื่อง มาเป็นอาหารใจอยู่เสมอบางทีก็ด้วยราคาแพงเช่นเดียวกันดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะธรรมารมณ์ที่ถูกใจพอใจแต่และคนต้องเสียไปเพื่อแลกมาเป็นอันมากและสำหรับสามัญชนแล้วย่อมมีความปรารถนาต้องการในสิ่งดังกล่าวอยู่ด้วยกัน ต่างกันเพียงมากหรือน้อยและความมากหรือน้อยที่ต่างกันนี้ก็หาได้เกิดจากอะไรอื่นไม่แต่เกิดจากความปรุงของสมุไทยที่มากหรือน้อยนั่นเองสมุไทยปรุงให้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผ พ, พ้ถพะธรรมณ์เป็นที่น่าปรารถนาพอใจมากความปรารถนาต้องการก็มากสมุไทยปรุงให้เป็นรูป เสียงกลิ่นรสปุถะพะธรรมารมเป็นที่น่าปรารถนาพอใจน้อยความปรารถนาต้องการก็จะน้อยความมีอินทรีย์สงวนคือการมีสติระวังไว้เสมอมีให้สมุทัยปรุงให้เกิดความปรารถนาต้องการมากไปเท่านั้นที่จะทำให้สา ม, มารถควบคุมปรารถนาต้องการจะได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิ่น ได้ลิ้นรถได้สัมผัสแต่รับรู้เรื่องราวที่พอใจไว้ได้ให้อยู่ในขอบเขตพอสมควรไม่ก่อให้เกิดความร้อนรนกระวนกระวายจนเกินไปจนถึงกับทำให้ต้องแสวงหามาให้ได้แม้จะต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าอื่นๆเป็นต้นว่าชื่อเสียงเกียรติยศยอมโกงยอมกินยอมปลิ้นปลั่นหลอกลวงทรยศ เือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สมุทรไทยปรุงให้เห็นว่าน่าปรารถนาต้องการอย่างยิ่งบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายมีโอกาสจะอบรมสติให้เกิดได้ทันความปรุงของสมุทรไทยจึงนับว่าเป็นผู้มีโอกาสที่จะไม่ถูกสมุทรไทยนําไปเสื่อมเสียดังกล่าวอันชื่อเสียงเกียรติยศนั้นมีค่ายิ่งนักสติเท่านั้นจะช่วยรักษาไว้ได้ มีให้นำไปแลกกับสิ่งที่น่าปรารถนาต้องการจึงควรจะอบรมสติให้เต็มที่ด้วยกันทุกคน